<c oughs> ข อ, อน้อมน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยโอกาสเพื่อนสัทธมิกทุกท่านจเจริญธรรมสามเณรไม่ชีร้ระยะธรรมทุกท่านเก็นั่งสบายๆเนาะในอริยสัจสี่อริยสัจสี่เนี่ยเป็นสิ่งที่ ม, มีความสําคัญมากเนาะอริยสัจสี่ก็คืออ่จริงๆคือสมาทิฐินะสมาธิฏฐิก็คือ อริสัตต์สนั่นเองนะคื อ, อความเห็นชอบหรือปัญญานะอริสัตตสีนี่ครับกรอบด้วยนะทุกนะทุกก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้นะต้องรู้จักทุกนะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะที่เราจะต้องรู้จักทุกให้ได้นะทุกก็คือความแก่ความเจ็บความตายนะความโศกความลำาลรลาพัน <c oughs> ความไม่สบายกายไม่สบายใจ นะการพัดภากจากสิ่งที่รักนะประสบกับสิ่งที่ไม่รักนะการปรัญหาสิ่งได้ไม่ได้สิ่งนั้นนะแล้วก็ขันทั้งห้าคือร่างกายจิตใจเราเนี่ยก็คือความทุกข์เนาะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งเราต้องรู้นะต้องรู้ว่าความทุกข์คืออะไรแล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรขเขาให้เรารู้เท่านั้นเองเนาะ <c oughs> ส่วนสมุทยัยนะสมุทัยเป็นสิ่งเราต้องละเนาะสมุทัยก็คือนะ คือความที่เราเพลิดเพลินแล้วก็มีการลาคะกําหนัดในความเพลิดเพลินเหล่านั้นอย่างยิ่งนะอันเป็นเหตุนําให้เรามีการเกิดใหม่อซึ่งได้แก่ตัณหาสามอาการคือกามตัณหาอคือตัณหาในกลามนั้นได้แก่ตัณหาในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐพัท ธ, ธมรลม แล้วก็ภาวะตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะแม้แต่เราการแบบรมถ้าเราอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เป็นภวะตัณหาเหมือนกันนะแล้วก็พิวาวิภาวตัญหาคือการไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะก็คือการที่เราไปผลักใส่สิ่งต่างๆที่เราไม่ชอบทั้งหลายแหลอันนี้ก็เป็นอาการที่เราเจริญในวิภาวตัญหาเหมือนกันเนาะบางทีเรามีอารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีแล้วก็ไม่อยากได้ สิ่งต่างที่เราไม่อยากเป็นก็มีนะไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นมันก็เลยผักใส่เขานะอันนี้ก็กลายเป็นว่าเราก็ทําด้วย <c oughs> ความมีเกิเลตเหมือนกันเนาะแล้วก็น่ามาถึงอนิโรธนิโรธก็เปือคือเป็นสิ่งที่เราต้องทําให้แจ้งเนาะทำให้แจ้งก็คือการที่เราละตันหาั่าเอง <c oughs> การทําให้ตันหาไม่มีที่อาศัย นะการคลายออกจากตัณหาการที่เราทําให้ตัณหาหมดไปจากใจเราอันนี้คือนิโรธ <c oughs> คําว่านิโรธนี้ส่วนหนึ่งก็คือบางคนก็เข้าใจว่าเป็นพระนิพพานเนาะคำว่านิโรธก็หมายความว่าดับนะดับนิโรธแปลว่าดับทุกข์นิโรธก็คือการดับทุกข์เพราะฉะนั้นเราถ้าเราเข้าใจว่าพระนิพพานเนี่ยต้องไปเสร้างให้เกิดขึ้นในนาคตการหรือต้องถึงในนาคตการ น, น, นั้นก็เป็นการเข้าใจผิด เพราะนิพพานไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นภพเป็นชาติอะไรสักอย่างหนึ่งนะไม่ได้เป็นภพเป็นภูมิที่เราจะต้องไปบรรลุถึงในอนาคตการ <c oughs> แต่นิพพานนั่นะคือ ส, <c oughs> สภาวะที่เราดับทุกได้ในปัจจุบันนี้นะั่นเองเนาะมันต้องดับให้ได้ในปัจจุบันนะถ้าหาว่าเรายังมีความทุกข์ในชาตินี้ชาติหนะ้าก็เรามีความทุกข์อีกเพราะว่าเรายังดับไม่ได้ <c oughs> ล้วเราจะไปดับ <c oughs> จากชาติหน้าได้อย่างไรเนาะเพราะนั้นต้องดับในปัจจุบันในชาตินี่แหละแล้วก็ดับในขณะปัจจุบันนี้ด้วยนะดับที่นี่ดับเร็วนี้ให้ได้เนาะสิ่งใดที่มีความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ทันแล้วก็ดับก็ไปเนี่ยอันนี้มันก็จะเข้าถึงพันธุ์พันได้เร็วขึ้นเนาะเพราะจริงๆแล้วกิเลสในใจเรามันก็มีอยู่มันไม่ใช่ไม่มี <c oughs> มันเป็นอนุใสกิเลสเนาะู้สัยกิเลสนะเลนี่ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องรู้เท่าทัน ต้องขุดนะต้องเจอต้องรู้จักเขาให้ได้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเจอแต่สิ่งดีๆะอารมณ์ดีๆเนาะนะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งแต่ส่วนอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันจะมีผุดขึ้นมามากมายนะเราก็มองไม่เห็นเขานะรู้ไม่ทันเขาเนี่ยมีมากมายเลยนะก็ซ่อนในใจเราเนี่แหละ <c oughs> เพราะนั้นวิธีการก็คือเราต้องรู้เท่าทันนะจิตใจของเราให้ไวนะรู้แล้วกนะ็สามารถที่จะนะปล่อยวางเขาได้ไม่ให้ฆ่าเขา แล้วก็เห็นก็บ่อยๆในการที่เขาแสดงพระใจรัก เ, เราเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วสภาวธรรมก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนอนนี่มันก็จะดับความทุกข์ไดน้นนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทําให้แจ้งเนาะต่อไปก็คือมรรคมีองค์แปดเที่เมื่อกี้เราได้สวดไปแล้วมรรคมีองค์แปดนี่ท่านกล่าวว่าจะต้องทํำให้เกิดขึ้นเนาะเป็นสิ่งเราต้องทําให้เกิดขึ้นก็เป็นหนทา ง, งความดับทุกข์นั่นเอง เพราะเมื่อย่อริยสัตว์สีก็คือมีสองอย่างคือทุกข์และาสาเหตุการเกิดทุกข์คือสมุ ท, ทยัยอันนี้คือส่วนแรกส่วนที่สองก็คือ น, นิโรดก็คือการดับทุกข์แล้วก็มรรคคือหนทางที่ปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์นั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งเราต้องทําให้เกิดขึ้ น, นเพราะฉะนั้นมรรคก็คือเป็นสิ่งเราต้องทําให้เกิดขึ้นนั่นเองนะมรรคมกี้ที่เราสวดไปแล้วก็มีแปดประการเนาะ อันนี้ถ้าเราจะย่อว่ามีอะไรบ้างก็ย่ อ, ยอเป็นสี่อย่างเนาะก็ <c oughs> คือศีลสติสมาธิปัญญาเนี่อันนี้บางคนส่วนใหญ่ก็ไปย่อเป็นศีลสมาธิปัญญาอันนั้นก็เป็นการย่อมากเกินไป <c oughs> เพราะว่าได้ข้ามสิ่งสําคัญคือสติไปซึ่งเราสวนก็มีอยู่ในในข้อที่7จ็บเนะาะสัมมาสติคือความระลึกชอบนั่นเอง อันนี้ไปข้ามไม่ควรจะข้ามนะตรงนี้จริงๆก็เป็ น, เ ป, นเป็นหลักสําคัญของมรรคเลยมรรคเมีมยงแปดเนี่ยมันต้องมีศีลสติสมาธิปัญญาเนาะศีล <c oughs> เนี่ยก็มีอยู่หลายข้อนในองค์มรรคเนี่ ย, ม, ยมีข้อสองสามสี่ห้าเนี่ยก็เป็นเรื่องของศีลเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าเราอ่าถ้าเราเป็นฆราวาสเราก็รักษาศีลห้าให้ได้ก็ชื่อว่าเราก็เจริญในศีลมรรคเมีมยงแปดได้แล้ว <c oughs> เพราะว่าการนี้เรามีศีลนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานสําคัญในการที่เราจะเจริญมากตัวอื่นต่อไปนะเพราะถ้าไม่มีศีลเนี่ยก็เรียกว่าเราก็อ่าจิตมันก็เศร้าหมองนะถ้าเป็นสาย <c oughs> สายวัดป่านะสายวัดป่านี่จะรักษาศีลอย่างเข้มงวดมากเลยเพราะว่านั้นท่านจะเจริญสมาธิเป็นส่วนใหญ่ <c oughs> ถ้าหากว่าศีลท่านนะเศร้าหมองศีลท่านด่างพร้อยแล้วเหมือนกับการเจริญสมาธิก็จะไม่ก้าวหน้า เพราะนั้นในสายวัดป่านี้ก็จะรักษาศีลอย่างเข้มงวดมากะเพื่อให้ใจไม่เศร้าหมองนะนี่จะตั้งใจรักษาด้วยตัวของท่านเองเพราะว่าถือว่าศีนเป็นพื้นฐานในการะเจริญสมาธิเพื่อให้ก้าวไปสู่ปัญญาต่อไปเนาะศีนะ <c oughs> นี้จึงเป็นสิ่งที่เราว่าเราก็ต้องรักษาตรงนี้ให้ได้นะ <c oughs> หลวงพ่อคำเขียนก็เคย อ่าเคยแสดงทําเอาไว้บอกว่าอ่ามันมจะมีเสือตัวหนึ่งนะเสือตัวนี้มันเป็นเสือที่ดุร้ายมากนะแล้วก็มีคนอามาขังเอาไว้นะแล้วก็อจะขังมันด้วยลูกกงห้าซี่เนี่ยก็ขังไม่อยู่นะ <c oughs> ขังด้วยลูกกงแปดซี่ก็ขังไม่อยู่ขังด้วยลูกกงสิบซี่ก็ขังไม่อยู่ขังด้วยลูกกงสองรอยิบเจ็ดซี่ก็ขังไม่อยู่เนาะ <c oughs> แต่ก็มี แต่เมื่อขังด้วยลูกองศ์สีเดียวเนี่ยปรากฏว่าขังเสือตัวนี้อยู่นะอันนี้ก็คือเสือตัวนี้ก็คือตันหานะคือกิเลสในใจเรานี่แหละมากมายเนาะครั้นนี้ถ้าจะบางคนก็รักษาศีล5ศีล8ศีล10นะหรือศีล227ซึ่งเป็นของพระก็ก็ขังไม่อยู่นะขังไม่อยู่หรอก <c oughs> เพราะว่าบางทีศีลเมื่ก็ไม่อยู่เหมือนกันเพราะกิเลสในใจเรามันร้ายแรงนะแต่ถ้า ลู ก, กงซีเดียวนะก็เอาอยู่ก็คือลูกกงซีเดียวคือสตินั่นเองนะสติก็ปรากฏว่าไปอส่งเสริมนะให้ลูกกงอื่นมันแข็งแรงขึ้นมาคือศีนเนี่ยแข็งแรงขึ้นมาเนาะเพราะยางที่หลวงพ่อก็เคยบอกไว้ว่ า, าเคยมีมีคนถามหลวงพ่อว่าทําไมไม่ไปเทศเรื่องอื่นบ้างตอนนั้นหลวงพ่อได้รับนิมนต์ไปสแสดงธรรมที่ไหนสักแห่งหนึ่งหลวงพ่อก็พูดในเรื่องสตินี่แหละอผู้ที่นิมนต์ไปก็บอกว่าทําไมหลวงพ่อไม่ ไม่พูดเรื่องศีลนะเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาบ้างเท็แต่เรื่องสติเรื่องเดียวหลวงพ่อบอกว่าอถ้าไม่มีไม่มีสตินะก็ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาะเพราะนั้นอ่าสตินี่แหละมันก็รวมอยู่ในนั้นอยู่แล้วพอมีสติมันก็มีครบทุกอย่างเนาะออันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะถ้าไม่มีสติศีลเราก็รักษาไม่ไม่ไม่หมดจดนะมันก็ไม่มีสติมันก็เหมือนก็บว่าแล้วก็หลงลืมไปหรือไม่ตั้งใจเนี่ยศีลก็ขาดได้ง่าย ยิ่งภาพมีศีนเยอะบางทีแล้วก็ถ้าไม่ตั้งใจนะไม่มีสติมันก็จะขาดไดง่ายๆมากเนาะเนี่ยตรงนี้หนึ่งว่าอศีลนี่มันก็ต้องมีสติเป็นเครื่องสำรวมระวังนะที่จะระวังกายระวังใจของเรานะศีลนี่มันระวังแต่กายไม่ได้นะแต่ใจต้องมีสติที่จะไปรักษาไปดูแลเขาเนาะเ <c oughs> นี่ยเพราะฉะนั้นศีลก็จะเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราต้องทําให้ได้ในเบื้องแรกเนาะ ต่อมาก็คือเรื่องสติเนยสตินี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดที่เรามาฝึกเปิดปัิกันในสายหลวงมาเทียนนี่แหละนะคือเรื่องสตินะจริงๆแล้วในวิธีการต่างๆครูบาอาจารย์ทุกองค์ท่านก็จะเน้นไว้นะหลวงม่าช้าล้ะก็บอกว่าสมาธิท่านก็แม่วอามากหรอกแต่ว่าสติต้องมีอยู่ตลอดเวลาเนาะ หลว ง, งตามาบักบอกว่าผู้ใดที่มีสติอยู่ผู้นั้นก็ชื่อว่าภาวนาอยู่เนาะเพราะนั้นเรื่องสตินี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าครูบาอาจารย์ใน ท, ทุกสายทุกๆแห่งนั้นก็เน้นในตรงนี้กันมากแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วคนส่วนมากก็ไม่รู้ว่าสติคืออะไรเนาะมันก็บางทีก็ฟังไปอย่างนั้นเองว่าสติแต่ว่าจรงิจรงๆแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าสติคืออะไรหรือว่าเจริญไม่เคยถูกส่วนมากก็กลายเป็นไปเจริญสมาธิกันเป็นส่วนมาก แต่ไม่รู้ว่าผลทางของสติคืออะไรเนะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราว่าเราก็อ่าบางทีก็เลยผลทางก็เลยเนินช้าไปเพราะเราเป็นเน้เ น, นสมาธิกันมากกว่าแต่ว่าไม่เน้นสตินะแต่ว่าของเราสายหลวงพ่เทียนก็ดีอย่างว่าเราเน้นในด้านสตินะเพื่อมีสติแล้วก็จะมีสมาธิมีปัญญาตามมาได้นะสติก็คือการระลึกได้นั่นเองนะสติก็คือระลึกได้ว่าเรากําลังทำอะไรอยู่นะระลึกได้ว่าขณะนี้กําลังทําอะไร กำลังนั่งอยู่นะหรือว่ากำลังยกมือสร้างยังหวะกำลังกระดิกนิ้วกำลังได้ยินเสียงนะกำลังมีความไม่พอใจกำลังหงุดหงิดนะกำลังกาลังเบื่อเนาะตรงนี้คือการกำลัรู้กายรู้ใจในปฏิบัตินั่นเองว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่นะคือการระลึกได้ขณะนี้กำลังมีอะไรเกิดขึ้นในกายและใจเราเนี่ยมันก็เป็นสติแล้ว นะสามัญญ็คือความรู้ตัวนะรู้ตัวคือรู้ตัวได้นะขณะนี้กําลังนั่งยืนเดิเดนนอนนะดื่มกินพูดคิดต่งางๆนะก็คือการที่เรามีสามัญญะในการที่เราจะนะใช้เป็นเครื่องอยู่ในชีวิตประจำวันของเราไม่เราหลงลืมไปนะโดยที่การการขึ้นไหวต่างๆนเราก็สามารถที่จะมีสติกับมารู้สามัญญาอีกครั้งหนึง่งว่าขณะนี้กําลังทําอะไรอยูนะ่ตรงนี้ก็คือเป็นการจเจริญสติ นะตรงนี้มันมันเป็นสิ่งที่รู้ว่าเราเราได้เน้นในหนทางที่มันถูกต้องที่ว่าเป็นสัมมาสติที่แท้จริงเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่มาเน้นในตรงนี้มันก็จะกลายเป็นสมาธิไปเกือบหมดเลยเพราะบอกถึงเรื่องการเจริญสติก็ไปไนั่งสมาธิเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไปติดติดในฌานบ้างติดในความสงบบ้าง <c oughs> ติดในความนิ่งๆเฉยๆอันนั้นก็เป็นเป็นแค่สมาธิส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแล้วจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นสัมมาสมาธิด้วย เ, เพราะว่าสมาสมาธิมันหมายความว่าเราต้องมีสติในสมาธินั้นนะถ้าไม่มีสม า, าไม่มีสติในสมาธินั้น <c oughs> จิตก็จะเกิดอาการง่วงซึมนะแล้วก็คลิบเลิม้มนะแล้วบางทีก็นิ่งแช่จมนะตรงนี้มันไม่ได้เป็นสมาสมาธิแต่สมาสมาธิมันจะต้องเป็นจิตที่ตื่นที่ว่องไวนะที่ตั้งมัน่นนะที่รู้เท่าทันความคิดลารมต่างๆได้เป็นสติ เป็นสมาธิของการเป็นผู้รู้นะเป็นสติอยู่ในตัวนั้นนะมันจะเห็นอาการสภาวะของใจนะที่เราสามารถรู้ทันได้ทุกขณะนะนะไม่ใด้ปล่อยให้นิวรณ์ต่างๆมาขอมงำเรานะตรงนั้นมันก็เป็นหนทางที่ไม่ถูกต้อง <c oughs> บางทีนั่งไปแล้วก็กลายเป็นครูบาอาจารย์เอแบบาเป็นสมาธิหัวต่อไปก็มีเนาะนะเพราะนั้นในตรงนี้บางคนก็เลยผิดทางในตรงนี้กันเยอะนะไปเจริญนะสัมมา อาจเป็นจเจริญมิจฉาสมาธิแทนจเจริญอสัมมาสติอสัมมาสมาธิเนาะท่านนี้เรามาอมีสติแล้วนะตรงนี้เราก็อเป็นสิ่งนี้ว่าเรามีปัจจุบันธรรมเป็นเครื่องอยู่ <c oughs> ปัจจุบันธรรมเนี่ยคือหลักการสําคัญของการจเจริญสติเนาะเพราะว่าคําว่าปั จ, จุบันธรรมก็คือปัจจุบันนี้ว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ไหมกายใจกําลังรู้ไหมขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่ ตรงนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะต้องแปลดีกับเขาเนาะปัจจุบันธรรมไม่ใช่ว่าปัจจุบันนี้มันจะต้องดีตามเราต้องการนะมันจะต้องไม่โลภไม่กดไม่หลงไม่รักไม่ชังไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดอะไรมากอันนี้คือไม่ใช่นะแต่ถ้าเราไปทําให้เขาดีนะมันไม่ใช่แต่คําว่าปัจจุบันธรรมตรงนี้ก็คือหมายความว่าอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่แหละสิ่งไม่ดีก็ได้นะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เราแค่รู้ไปตามความเป็นจริงเท่านั้นเอง เพราะเรื่องการที่เราเจริญสติใหมายความว่าเรามาศึกษากายและใจเราเพื่อหเห็นม่าใจรักต่างหากไม่ใช่ว่าเพื่อหเห็นว่าเขาดีให้เขาทําให้เขาดีนะเธอทําทให้เขาดีนะ่ะมันมันไม่ถูกทางนะนั้นคือการแทรกแซงนั่นคือวิภาวะ <c oughs> นั่นคือภาวะตัณหาเนาะคือการทําอยากได้อยากมีอยากเป็นนะตรงนี้มันจะเป็นการเจริญสติด้วยตัณหาไม่ใช่อ่าด้วยการที่ว่าเป็นสัมมาสติที่แท้จริงสัมมาสติที่แท้จริงก็คือเราดูกายและใจ ตามความเป็นจริงคือการระลึกได้เท่านั้นเองระลึกได้ขณะนี้มันจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แต่นั่นแหละเขาแสดง uh, การที่เราบังคับเขาไม่ได้นะเขาแสดงเพ้าไตรลักษให้เราเห็นว่านี่มันเป็นความไม่เที่ยงนะบางครั้งมันก็ดีบางครั้งมันก็ไม่ดีบางครั้งมันก็คิดฟุ้งซ่านไปนะบางครั้งมันก็สงบบางครั้งมันก็รู้สึกตัวบางครั้งมันก็โกรธบางครั้งมันก็รักบางครั้งมันก็ปไปบัติไม่ดีนะเมื่อเช้าดีวันตอนบ่ายก็ไม่ดี <c oughs> เนี่เราก็ไม่ได้ไปความทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นเนาะแต่นี่ก็คือเรากลับมาเห็นความจริงอของอปัจจุบันธรรมได้ว่าไปบ้านนี้เราเป็นอย่างไรมากกว่าคือรู้ปัจจุบัติในแต่ละขณะแต่ละหนาแน่นแหละเราจะเห็นเมตตาลักษได้ว่ามันไม่เหมือนกันนะตอนเช้ามันดีตอนบ่ายไม่ดีเนี่ยเขาแสดงเมตตาลักแล้วว่ามันไม่เที่ยงเนาะไม่ใช่ตอนเช้ามันดีตอนบ่ายต้องดีนะอันนี้เราเราก็จะกลายเป็นว่าเราก็มีตัณหาไป แล้วเราจะมีความทุกข์จากการบัตธรรมเพราะการบัตธรรมนี้จริงๆเจริญสตินี่มันเป็นสิ่งที่ง่ายกว่าสมาธิเพราะสมาธินี่บางทีมันก็ต้องเอาดีนะต้องให้จิตสงบบ้างไม่สงบมันรู้สึกว่าเราไม่ไม่ได้ผลมันจะฟุ้งซ่านแต่ว่าสติมันเป็นการรู้ตามความเป็นจริงแห่งความเป็นจริงของปัจจุบันธรรมปัจจุบันนี้มันเป็นสิ่งระงับขับเข้าไม่ได้นะมันเกิดขึ้นแบบเดียวเท่านั้นเดี๋ยวก็จากไปแล้วก็เปลี่ยนไปแล้ว ตอนนี้มันดีไปเดียวก็ไม่ดีตอนนี้มันไม่ดีเดี๋ยวก็ดีเนี่ยมันคือปัจจุบันธรรมที่มันแสดงมาตายรักตลอดเวลาแล้วก็ผตายรักนี่มันก็เกิดในทางกายและทางใจตลอดเวลาด้วยเช่นกันเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วมันก็เป็นสิ่งเราเราปล่อยวางได้ไหมเราไม่ยึดติดได้ไหมว่าเราทําจะต้องดีนะแต่เรารู้ความจริงนี่แหละเมื่อเราเห็นมาตายรักแล้วจิตก็จะเกิดการปล่อยการวางการไม่ยึดเอง แต่เมื่อไรที่เราจะอาดีแล้วนั่นหละคือภาวะตัณหาแล้วเราก็จะเกิดการยึดมั่นถือมั่นว่าเราต้องดีเมื่อมไม่ไม่ดีไม่พอใจอมีความโทสะเราก็จะกลายว่าเราก็ผักไสว่าสิ่งนี้ไม่ดีน ะ, ะสิ่งนี้เราแิดทำแล้วไม่ดีมันก็เป็นวิภาวะตัณหาเองเนาะคือการผักไสกายไม่อยากได้ไม่อยากนีไม่อยากเป็นเนาะอันนี้มันก็กลายเป็นเราจเจริญตัณหาโดยเราไม่รู้ตัว เพราะนั้นถ้าเรารู้ไปตามความเป็นจริงนะเจริญสติมันก็ง่ายนะทําสบายๆง่ายๆนี่แหละผู้บรรจาร์บอกทาเล่นๆทําสบายๆนะอย่าอยา ก, ยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีนะเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นไม่เป็นอะไรกับอะไรนี่คือผลทางการเจริญสติก็คือเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเราไม่หน้าที่แค่ดูแค่รู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นเองเราแค่รู้ไม่ใช่ทำํำนะ ไม่ใช่ไปทํากับเขาเรามีหน้าที่แค่รู้แค่ดูเท่านั้นอันนี้จึงจะเรียกว่าเราเป็นผู้ดูแล้วก็จเจริญสติได้อย่างไม่ยากเนาะเพราะว่าเขาก็แสดงพระใจรักอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครา้ น, นี้ก็มาสัมมาส ม, มาธินะครา้ น, นี้ถ้าเราจเจริญจิตแล้วจเจริญในทางสติได้ถูกต้องแล้วมันก็จะเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมันง่นนี่เขาเรียกว่ามันมันจะเป็นผู้ที่ว่องไวนะว่องไวในการรู้ทันกายและใจ จิตจะมีความว่องใยใหญมากนะมันจะค่อนข้างที่เรียกว่ามันจะตั้งมั่นได้และขณะนั้นอความฟุ้งซ่านมันก็มีน้อยมันก็ไม่ได้มีเยอะแต่มันก็ไม่ได้ไปห้ามความฟุ้งซ่านแต่เมื่อมีความฟุ้งซ่านมารู้ทันแล้วก็กลับมาตั้งมันได้เร็วขึ้นเนาะตรงนี้เราประบัติแม้แต่เจริญสติไม่ได้นั่งสมาธินี่แหละมันก็จิตตั้งมั่นได้เนะจิตตั้งมั่นมันจะเป็นผู้รู <c> ้ <oughs> มันจะเป็นผู้ตื่นรู้เนาะตื่นรู้ได้ไวนะบางที่เราเดินนะถ้าเราเดินช้ า, ชา เดินช้าแล้วก็ไปไปเพ่งเท้าเนี่ยอันนี้จิตมันยัไม่ตั้งมั่นแต่จิตจะเป็นสมาธิแต่ถ้าเราเดินแบบปกติหรือเดินเร็วหน่อยเรารู้เราทิ้งรู้เราทิ้งนะรู้แบบอ่ารู้แบบให้เขาอ่าให้เห็นความที่เรียกว่าเขา้ารู้เราทิ้งนั่นแหละจิตมันจะอ่าเกิดการตื่นรู้นะจิตมันจะตื่นรู้ขึ้นมาเลยนะตรงนี้มันจะไวอ่ามันก็เราเอามือมาตีมือมาตีตัวเราตีน้กตักเนี่ยรู้เรามันทิ้งรูๆๆๆๆๆ้เราทิ้งรู้เป็นขณะขณะไป จิตก็จะตื่นรู้ได้นะพอในการมาทมส่วนนึ่งคือให้จิตเขาตื okay. way, ่นรู้นั่นเองไม่ได้ให้จิตเขาสงบถ้าเราจิตตื่นรู้แล้วเราจะเป็นผู้ดูนะเป็นผู้ดูแล้วก็เป็นผู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะจิตมันตื่นรู้ไม่ได้ให้จิตเขาสงบหรือว่าจิตต้องไม่คิดอะไรนี่เป็นการเจริญสมถะไปคราวนี้จิตเขาเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยหรือเป็นผู้ตื่นรู้แล้วเนี่ยต่อไปจิตก็จะตั้งมั่นได้ง่ายขึ้นนะจิตมันจะตั้งมั่น จิตตั้งมั่นนี่ไม่ใช่ว่าตั้งมั่นตลอดไปนะมันจะตั้งมั่นเป็นครั้งๆเท่านั้นเองหรือถ้ามันอาจจะตั้งได้ระยะหนึ่งนะมันก็ไม่ตั้งตลอดไปแต่ว่าเขาจะตั้งมั่นได้บ่อยขึ้นเราก็เป็นผู้สังเกตนะจากจิตตั้งมั่นเราก็จะเห็นกายและใจเนี่ยเขาทำงานเขาเองนะกายใจกายเราก็เห็นเขาก็เดินไปคือกายเขาเดินไม่ใช่เราเดินนะมันก็เดินไปอยู่เรื่อยๆนั่นแหละเราก็สังเกตอาการของกายเขาเดินยืนเดินนั่งนอนก็เป็นผู้สังเกตเท่านั้นเองนะ จากการเป็นผู้สังเกตแล้วก็จะเป็นผู้ที่มันแยกมาดูนะกายเป็นสิ่งถูกรู้ใจเป็นผู้ดูไปเป็นผู้สังเกตอาการของกายในขณะเดียวกันใจมีความคิดไปเราก็เป็นผู้สังเกตได้นะเมื่อก่อนเราก็เป็นผู้คิดเราก็ไหลไปในความคิดเราก็แค่รู้ทันความคิดมันก็ไหลไปไหลมากลับไปกลับมาคราวนี้เราเป็นผู้สังเกตก็เห็นอาการที่เขาไหลไปออกไปนะอันนี้ยเมื่อเขาออกไปแล้วเขาก็กลับมาเนะี่ยเราเป็นผู้สังเกตได้นี่ก็แยกมาเป็นผู้ดูนะดู ดูใจส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ถูกรู้ส่วนเราเป็นผู้สังเกตนะเป็นผู้ที่ดูเข้าเท่านั้นเองนะมันจะแยกมาแล้วแต่ตรงนี้นะตรงนี้มันการแยกนี่มันสคัญมากเลยเพราะว่าถ้าเราไปบัตรแล้วนานๆไปมันก็เป็นแค่ความรู้สึกตัวเองมันก็ไม่แยกมาดูนะแต่เราเป็นผู้สังเกตมันจะแยากกายแยกใจให้เรามปนผู้ดูนี่แหละมันจะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ก็ต่างคนต่างทํางานของเขาเองเราไม่มีหน้าที่ไปยุ่งกับเขา อย่างใจในเห็นชัดแล้วนั้นเดี๋ยวก็คิดไปคิดไปก็เมื่ผูุ้ตสังเกตก็ก็เลยเห็นอาการใจแล้วก็เห็นสภาวะที่รำที่เกิดแล้วก็ดับได้นะมีความอารมณ์ต่างๆแล้วก็เห็นสังเกตไปว่าอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ดับได้เนี่ยตรงนี้มันก็เป็นผู้ดูได้นะแต่เราไปจัดการเขาความคิดไม่ดีให้เขาดับไปเนี่ยเราก็กลายเป็นผู้เป็นการผู้จัดการการพูดมีตัวตนอยู่เบื้องหลังนะ แต่ว่าถ้าเราเป็นผู้สังเกตเขาก็เกิดดับให้เราเห็นเองนะตรงนี้จะเกิดปัญญาว่าเราเห็นความเกิดดับการเห็นเกิดดับเนี่ยคือเห็นปัตยรักแล้วเนี่ยตรงนี้จิตก็จะเริ่มเข้าใจในระดับหนึ่งนะเพราะฉนั้นตรงนี้การเจริญอ่าสมาธินี่ในการที่เรามีสติเนี่ยมันเข้าไปสู่การเจริญสมาธิได้เลยเพราะว่าสมาธิก็คือเมื่อที่เราสวดมนต์แล้วว่าสัมมาสมาธิก็คือจิตตั้งมั่นชอบนะถ้าจิตตั้งมั่นชอบเนี่ยมันก็คือสัมมาสมาธิแล้ว ตรงนี้ถ้าใครจะไปนั่งสมาธิมันก็เข้าใจนะสมัยก่อนเรานั่งสมาธิด้วยอจิตอาจจะว่ามันสงบเฉยๆแต่ว่าเมื่อเราเข้าใจเรื่องสติแล้วเราก็สามารถที่จะเอาจิตตั้งมั่นเนี่ยไปนั่งสมาธิได้ไปดูจิตนะที่เคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวมาเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะตรงนี้จิตก็จะก้าวหน้ามากขึ้นนะเพราะว่าเราจะเห็นเมาตไปรลักได้บ่อยๆในการเจริญสมาธินะนี่เราก็มีความก้าวหน้าในปัญญานะเพราะเราก็ก้าวสู่ว่าศีลสติสมาธิปัญญา คำว่าปัญญานใน อ, อริสสสีก็คือการเห็นก็คือในมรรคมียัง8เนี่ยในข้อสัมม า, าสัมมาทิฏฐิก็คือการเห็นอริสสสีคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคการที่เราเห็นทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการที่เราเข้ามาเห็นปไตายลักษณ์นั่นเองนะเพราะมันมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาเนี่ยตรงนี้เป็นหลักสําคัญ เคยมีผู้ที่มาถามว่าเจ้าบัอย่างไรให้เป็นทางลัดบ้างเมื่อว่ารู้ว่าทางลัดตรงไหนอยู่ตรงไหนการบัดทำมันจะได้เร็วขึ้นเนาะอตอนนั้นก็ตอบเข้าไปว่ามันไม่มีทางลัดหรอกนะไม่มีทางลัดการบัดทำไม่มีทางลัดถ้าจะมีทางลัดก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นก็คือต้องเห็นพระไตรักษให้ได้เนะถ้าเราไม่เห็นพระไตรักเราก็จะไปบนวนในการปัดบัติแล้วเราก็มีความทุกในการปัดบัดอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันก็ มันสแสดงความไม่เที่ยงอยู่แล้วนะบางวันมันดีบางวันมันก็ไม่ดีนะตรงเนี้ยหรือว่าบางทีมันก็ฟุ้งซ่านบางทีมันก็ไม่ฟุ้งซ่านอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยตรงนี้ถ้าเราไม่เข้าใจคือเราเราไม่เห็นปัตติลักษ์เราก็มีความทุกข์จากการปฏิบัติธรรมอืแต่เราเราเข้าใจปะไติลักเราก็ไม่มีความทุกข์เขาเห็นนะตรงนี้มันก็สแสดงปัตติลักเราเห็นนะคือความไม่เที่ยงการบัง ค, งคับก็ไม่ได้เนี่ยก็จึงเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นของเขาเองนะตรงนี้มันเป็นหนทางรัดนะที่มัน ที่มันที่เรียกว่ามันเป็นทางตรงนะเพราะมันไม่ต้องไปหาทางลัดทางอื่นถ้าตามไดที่ยังไม่เห็นพระไตรลักษณ์มันก็ไม่เข้าสู่ทางลัดหรอกแต่เราเห็นพระไตรลักษณ์แล้วมันก็จะเริ่มเป็นทางลัดที่จะกล่ว่าเข้าสู่ความค้นลุกได้นะเพราะเราเมื่อเราเห็นพระไตรลักษณ์ได้บ่อยจิตก็จะเกิดการคลายการปล่อยวางการไม่ยึดติดเพราะว่าเขาเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็เกิดการคลายกําหนัดตามมานะพระไตรลักษณ์ในเป็นเหตุให้เราคลายกําหนัดได้ไม่ยากเพราะเมื่อก่อนเราก็ยึด ตัวตเนเยเยอะเลยอต้องเป็นอย่างนู้นนะต้องไปอย่างนี้นะปบัติธรรมต้องได้ผลดีหรือเราก็เป็นคนดีไม่โลบไม่โกรธไม่หลงเนะ อ, นนอันนี้ก็คือความเป็นตัวตนที่เราไม่รู้ตัวมันจะมีตัวเราอยู่เบื้องหลังตลอดนะแต่เมื่อเราเห็นได้ด้วยปัญญาหรือด้วยความจริงว่า เ, เราก็บังคับเข้าไม่ได้นะบางครั้งเขาก็ไม่ดีนะเขาไม่เป็นไปตามเราต้องการเลยนะเขาก็ยังมีความโลภ ค, ความโกรธความหลงมีความพุ่งสร้างเรื่องธรรมดาเนี่ยถ้าเราเห็นตรงนี้นนแล้วมันก็จะเกิดการเข้าใจว่าเราบังคับเข้าไม่ได้ นะเมื่อมึงคับเข้าไม่ได้เขาก็จึงไม่ให้ตัวไม่ตนของเรานะตรงนี้มันจะเป็นการค่อยๆละคลายนะทิฐิละคลายตัวตนไปในตัวโดยเราไม่รู้ตัวนะจากการต้องเห็นก็บ่อยๆนะบางทิที่มาสวดมนต์ทุกเช้าเนี่ยสัพเพสร้างขารานิจจาสัพเพสร้างขาราทุกขาสัพเพสร้างขารานตตานะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนัตตานีเน่เป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองนะนี้มันไม่ได้ผลทางความพ้นทุกข์ แต่วิธีการหนทางของมักนกคน็คือเราต้องเห็นเขา αι, ้าบ่อยๆให้ใจเขาเกิดการเข้าใจนะใจที่เขาเข้าใจเนี่ยมันมันจะเกิดการอ่านะที่เรียกว่าเขาจะเข้าใจแล้วเขาจะเกิดการปล่อยการวางนะแต่ใจไม่เข้าใจแล้วให้เราสวดวรนละพันครั้งเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะมันก็กลายเป็นนกแก้วนกุทองนะเพราะเราก็เปลี่ยนจากนกแก้วนกขทองมาเป็นผู้ดูเป็นนะเป็นผู้เห็นนะตรงนี้มันจะใจที่ก็เห็นบ่อยๆนะเห็นมไตารักบ่อยๆเนี่เมื่อเขาเข้าใจแล้วก็จะเกิดการปล่อยการวางโดยตัวเขาเอง โดยเราไม่ ไ, ไปยุ่งเขาเลยเนาะระหว่า น, นี้มันเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเห็นความจริงนะเพราะปัญญาที่เกิดจากการเห็นความจริงกับปัญญาเกิดการคิดเอามันมันคนละอย่างกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าคิดเอาเนี่ยบรรลุ ธ, ธรรมเป็นแถวแล้วนะอาจารย์กำพลเนี่ยท่านอ่านหนังสือมาถึง16ปีท่านบอกว่าท่านยังมีความทุกข์อยู่เลยอันนั้นเป็นการคิดเอาหรือเป็นการฟังอไม่ได้พ้นทุกข์แต่หลังนั้นปฏิบัติธรรมเริ่มไปบัติธรรมแค่หนึ่งเดือนนั้นก็เข้าใจแล้วถ้าเห็นความจริงว่าตรงนี้นะ่ะกายและใจมันแยกกันนะ เมื่อก่อนท่าเ น, เ ป, น, เ, ปน itt, win, เป็นผู้เป็นแลเป็นผู้ผ adam, ouais, ปเป็นเป็นผู้เป็นนะคือกายและใจเนี่ยมันเป็นเป็นผู้พิการเป็นผู้อมพาศตอนหลังเมื like heaven, claro. ่อท่านไปบัตธรรมแล้วมันทํำไมเป็นแบบนี้นะมันมีความทุกข์มากจังเลยนะตั้งใจมากแล้วก็มีความทุกข์มันก็เกิดความเครงเครียดตอนหลังท่านก็เลยทําสบายๆนั่งพลิกมือสบายๆเป็นผู้ดูไปดูการพลิกมือสบายๆก็กลายเป็นแยกมาเป็นผู้ดูนะดูกายมันทํางานใจเป็นผู้ดูใจผู้ดูกายทํางาน เมื่อมันแยกงี้ปุ๊บท่านก็เห็นเลยว่ากายและใจมันก็แยกกันแล้วนะเหมือนกับขวดยาหมองกับฝลายยาหมองก็แยกจากกันความเผู้ดูเนี่ยมันจะแยกกายและใจออกจากกันได้นะแต่เท่าใดที่เราไม่ได้เป็นผู้ดูมันก็เป็นผู้เป็นก็คือเป็นผู้สร้างจังหวะเป็นผู้พิกมือนะแต่เมื่อแยกมันดูมันก็เห็นชัดเลยนะจิตระดับนึ่มันจะแยกมาเห็นชัดนี่มันเป็นผู้สิ่งสทุกรู้นี่คือกายและนี่เป็นผู้ดูไปนี่คือใจส่วนหนึ่งมันแยกกายและใจในที่สุดท่านก็เข้าใจธรรมะท่านก็ สามารถค้นจากความถูกได้เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเมื่อเราเข้าใจธรรมแล้วการมาทําก็ไม่ยากนะเป็นสิ่งที่มันง่ายๆในชีวิตจําวันเรานี่แหละแล้วถ้าผู้ใดที่ไม่อาจจะเจเริญสติในชิตประจวันได้อในอิริบท ต, ต่างๆหรือในอ่ที่เรายืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดได้ผู้นั้นโอกาสที่จะบรรลุธรรมเนี่ยยากมากเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ว่าเราสามารถทําได้ทุกอิริบทแล้วตรงเนี้การมาทําก็จะง่ายนะแต่ว่าไม่ต้องไปรู้ตลอดเวลานะรู้บ้างเผลอบ้างเนี่ย ตรงนี้ก็คือมันจะพัฒน า, นาจิตเราเนี่ย <c oughs> เข้าไปเห็นความจริงได้ง่ายขึ้นเนาะเพราะนั้นในโอกาสสุดท้ายนีย่ขอรละนาบารมีคุณพระนาตรัยน้อมนำูนุท่านจเจริญด้วยสีสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้งทุกได้โดยเหล่าพันทุทังเทอ